สัญชาตยาณเลือกถูกเมื่อต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อต้องตัดสินใจเลือกครั้งสำคัญมักมีหลายสิ่งบีบคั้นไม่ให้คุณมั่นใจว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกเช่นเสียงยุ ก, กับเสียงค้าน ร, รอบตัวแรงดันให้อยากลองกับแรงผลักให้ท้อถอยในตนเองข้อมูลแงด่ดีกับข้อมูลแง่เสียสารพัดด้าน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 คุณต้องฝึกคิดเองในเรื่องที่ชวนให้รู้สึกดีดีและเพื่อประกันว่าที่คิดเองนั้นดีจริงก็ต้องดูหลักฐานเป็นความเบากายสบายใจของคนอื่นไม่ใช่เอาความมั่งมีสิสุขของตนเองเป็นเครื่องชี้บอกนั่นทำให้มองได้ว่าถ้าชอบกลัน่นแกล้งคนอื่นให้เดือดร้อนถ้าชอบใส่้ายให้คนอื่นเสียหายถ้าชอบด่าคนอื่นเอามันโดยไม่ต้องรู้อะไรจริง